เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่าธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ยี่บสามพฤษภาคมพุทธศักราชสอง6ห้าสี่สหกตรงกับวันศุกร์แรงแปดค่ำเดือนหกเป็นวันพระเป็นวันธรมรมสวระเป็นวันฟังธรรม การที่สาธุชนพุทธบริษัทจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาตั้งแต่ประโยชน์เบื้องต้นจนถึงประโยชน์อันสูงสุดสิ่งที่มีความจำเป็นในเบื้องต้นที่จะต้องมีก็คือศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในอะไร ให้เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรุธรรมจริงเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเชื่อในพระธรรมคาสอนว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยงตรงหลักความเป็นจริงเชื่อในพระอริยสงสาวกว่าเป็นผู้ที่ได้ น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษาปฏิบัติจนได้บรรลุเห็นธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเห็นมาถ้าเราเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะมีวิริยะคือความภาคเพียง ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้จะมีหลากหลายถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็สรุปลงอยู่ที่คาคาเดียวว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทาการกระทามีอยู่สามกระทาทางกายทางวาจา ทางใจเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อทํากรรมทั้งสามดีแล้วก็จะมีผลตามมาเรียกว่าวิบากผลที่จะตามมาก็ขึ้นอยู่ที่กรรมการกระทําว่าเป็นการกระทําชนิดใดถ้าเป็นการกระทําดีเป็นบุญเป็นกุศลผลที่จะตามมา ก็เป็นความสุขความเจริญถ้าการกระทำที่เป็นความชั่วเป็นบาปเมื่อทาไปแล้วผลที่จะตามมาก็คือความเสื่อมเสียความทุกข์ความหายนะณทั้งหลายนี่เป็นหลักตายตัวที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้ให้มาปฏิบัติธรรมแล้วตัดสรู้ธรรม แล้วนำธรรมนั้นมาสั่งสอนให้กับสารโลกทั้งหลายก็จะรู้เรื่องของกรรมและจะสอนแต่เรื่องของกรรมอย่างเดียวคือโดยสรุปแล้วความสุขความเจริญก็ดีความทุกข์ความเสื่อมเสียก็ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดแต่ขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละบุคคล ทางกายทางวาจาและทางใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าที่จะมามอบสิ่งต่างๆที่ดีที่งามให้กับเราได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พุทธบริษัทขอสิ่งต่างๆจากพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ขอพรว่าให้พระพุทธเจ้าจงเสกจงเป่าจงทำให้เราประสบกับความสำเร็จ ประสบกับสิ่งที่เราต้องการแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนอยู่เสมอก็คือให้ทำความดีให้ทำสิ่งที่ดีทางกายทางวาจาและทางใจคือให้คิดดีพูดดีทำดีเมื่อคิดดีพูดดีทำดีแล้วผลที่ดีก็จะตามมาและให้ละเว้นจากการ คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายเพื่อผลที่ไม่ดีคือความทุกข์ความเสื่อมเสียจะได้ไม่ตามมาถ้าเราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสม่าเสมออย่างที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้ทุกครั้งที่ท่านได้มาที่วัดนี่ถือว่าได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เมื่อได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ยินพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้เห็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เรามีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปเมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็จะนำไปสู่ทำขั้นที่สองคือวิริยะความภาคเพียร เมื่อเราเห็นพระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเรื่มใ ส, ส่ศรัทธา<ม>ก็ทำให้เราเกิดมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามคำสอนของท่าน<ม>เราก็เลยนําคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เรามาปฏิบัติมาปฏิบัติกันคาสอนที่สรุปลงก็ได้สามหัวข้อใหญ่ๆว่าจง ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมคือคิดดีพูดดีทำดีจงละเว้นการกระทำความชั่วทั้งหลายเสียคืออย่าไปคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วให้ชำระจิตให้สะอาดด้วยการปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิวิปัสสนาชำระกิเลสตัณหา อันเป็นเหตุของความเศร้าหมองเหตุของความเสื่อมเสียทั้งหลายให้หมดออกไปจากจิตจากใจถ้าเรามุ่งมั่นปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างสม่ำเสมอเราก็จะเริ่มเห็นว่าชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขความจเจริญขึ้นไปตามลำดับ แต่ความสุขความเจริญนี้ไม่ได้หมายถึงความสุขที่เกิดจากภายนอกเช่นความเจริญทางลาบยศสารเสริญสุขแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนผลที่จะปรากฏโดยตรงนั้น คือความสุขความเจริญภายในใจของเราใจของเราจะมีความสงบมีความร่มเย็นมีความอิ่มมีความสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจปราศจากความหิวความกระหายปราศจากความกังวลความว้าวุ่นขุ่นมมวทั้งหลายนี่เป็นเหตุที่จะเกิดขึ้นในใจของเราโดยหลัก เพราะว่าผู้กระทำก็คือใจและผู้ที่จะรับผลก็คือใจส่วนสิ่งภายนอกที่จะได้รับจากผู้อื่นนั้นขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะรู้เขาจะเห็นในความดีงามของเราหรือไม่ข้าก็เห็นเขาก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้เรา ได้เจริญในทางราบยศสรรเสริมสุขแต่ถ้าเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาก็จะไม่ได้ส่งเสริมเราแต่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญภายในใจนั้นจะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยกระหายไม่ค่อยอยากกับสิ่งอะไรภายนอกทั้งหลายเพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆภายนอกนั้นหาเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงไม่ โดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกนั้นล้วนมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นธรรมชาติประจำอยู่ล้วนมีความที่ไม่สามารถไปกําหนดควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ย่อมมีความทุกข์แฝงอยู่ในสิ่งนั้นๆถ้า ฉลาดไม่หลงไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าหลงไปยินดีไปชอบไปอยากไปอยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นไปดังที่ปรารถนาก็ต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างแน่นอนผู้ที่ปฏิบัติ แล้วมีความสุขภายในใจจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วจะไม่ค่อยยินดีกับความสุขความเจริญภายนอกเท่าไหร่เพราะความสุขความเจริญที่มีอยู่ภายในใจนั้นเป็นสิ่งที่วิเศษกว่าประเสริฐกว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขความที่ความอิ่มกว่าเป็นความสุขความอิ่มที่แท้จริง เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เกิดมีความวิรยิยะอุตสาหะที่จะปฏิบัติดูแลการกระทาของตนให้ไปในตามทํานองของธรรมอยู่เสมอและสิ่งที่จะดูก็คือกิริยาหรือการกระทาทั้งสามคือกายวาจาใจก็จะนำไปสู่ธรรมะตัวที่สามก็คือสติ เมื่อเราคอยเฝ้าดูใจดูการกระทำทางกายทางวาจาอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องอก็แสดงว่าเราเริ่มมีสติมีสติ ด, ดูรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจเวลาใจคิดอะไรก็ต้องรู้ทันว่าคิดดีหรือคิดร้ายเพราะว่าใจจะเป็นต้นเหตุของการกระทาทางกาย และทางวาจาต่อไปถ้ามีสติรู้ทันว่าคิดดี mm hmm. ก็ปล่อยให้ออกไปได้ให้พูดดีให้ทำดีต่อไปได้แต่ถ้าคิดร้าย mm hmm. ก็ต้องระงับทันทีระงับความคิดนั้นว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีเพราะคนที่มีความคิดร้ายนั้นย่อมพูดร้ายพูดท ำ, ทำร้ายต่อไป ซึ่งจะนำมาผลที่ไม่ดีตามมาคือความทุกข์ความเสื่อมเสีย <c oughs> ถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกรรมทั้งสามนี้คือกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วใจก็จะรู้ทันการเคลื่อนไหวของตัวเองรู้ความคิดของตนว่าไปในทิศทางใด ถ้าไปในทิศทางที่ที่ไม่ดีก็ระงับดับเสียเมื่อระงับดับไปเรื่อยๆความคิดที่ไม่ดีก็จะมีน้อยลงไปส่วนความคิดที่ดีเมื่อคิดมาแล้วก็ส่งเสริมให้มีการกระทําต่อไปให้พูดดีให้ทําดีต่อไปเมื่อมีการส่งเสริมความคิดที่ดีการกระทําที่ดีการพูดที่ดีต่อไปก็จะมีแตก ความคิดที่ดีความการพูดที่ดีการกระทำที่ดีเป็นนิสัยต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วผลที่ดีย่อมตามมาต่อไปคือมีแต่ความสุขความเจริญในจิตใจเมื่อได้ปฏิบัติสติอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้จิตเข้าสู่ธรรมขั้นที่สี่คือสมาธิเมื่อจิตมีสติควบคุม กายวาจาใจอย่างสม่าเสมอเวลาจะกำหนดให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตก็จะตั้งมั่น <c oughs> อยู่กับอารมณ์นั้นเช่นกำหนดให้อยู่กับการสวดมนต์จิตก็จะอยู่กับบทสวดมนต์จะไม่ลอยไปลอยมาเหมือนเมื่อหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่ไม่มีสติถ้ามีสติแล้วสตินี้จะเป็นตัวที่จะ ควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่จิตต้องการจะอยู่ด้วยเช่นเวลาสวดมนต์ก็จะอยู่กับบทสวดมนต์ตลอดเวลาไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็สวดมนต์ควบคู่กันไปเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะไม่สงบจิตจะไม่นิ่งแต่ถ้าจิตมีสติควบคุมให้อยู่กับบทสวดมนต์สวดไปเรื่อย จิตก็จะเข้าสู่ความสงบหรือจะกำหนดให้อยู่กับคำบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตก็จะอยู่กับคำบริกรรมนั้นถ้าอยู่การบริกรรมนั้นถ้าจิตได้อยู่กับการบริกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็แล้วจิตก็จะรวมลงเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบเรียกว่าเป็นเอกตาลงจิตรวมลงเป็นหนึ่ง มีสักแต่ว่ารู้อยู่มีความสุขความอิ่มความสบายใจในขณะนั้นจิตจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกแม้กระทั่งสังขารร่างกายก็จะไม่ไปสนใจเพราะในขณะนั้นจิตมีความเพลิดเพลินมีความผูกพันกับความสงบนิ่งซึ่งเป็นความสุขที่ประเสริฐกว่าความสุขอันใดในโลกนี้ พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงว่าสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบของจิตไม่มีผู้ใดถ้าได้ปฏิบัติควบคุมจิตให้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเป็นเอกตารมเป็นสมาธิได้แล้วจะพบกับความสุขอันมหัศจรรย์นี้เมือ่อได้พบกับความสุขนี้แล้วก็จะเกิดปัญญาตามขึ้นมารู้ทันทีว่า ความสุขทั้งหลายที่เราเคยไปแสวงหาจากสิ่งต่างๆภายนอกเช่นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายร้วนเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนร้วนเป็นความสุขไม่แท้จริงเพราะมีความทุกข์ที่จะคอยตามมาเสมอซึ่งเราก็เคยเจอกันอยู่เสมอเวลาเราได้ สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผู้อภิะที่ถูกอกถูกใจเราก็มีความสุขแต่พอรูปเสียงกลิ่นรสผู้อภิะที่เราชอบเราถูกใจนั้นเปลี่ยนไปหายไปเราก็เกิดความเศร้าส้อยหงอยเหวีขึ้นมานั่นก็เป็นเพราะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่อยู่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป เขามีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอขณะนี้เรานั่งอยู่ในนี้เราก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราเออกจากศาลานี้ไปเราก็ต้องไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอีกชนิดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้าใจมีปัญญาไม่ยึดไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะทั้งหมดนะคือจะเป็นชนิดไหนก็ รับรู้ไว้แล้วปล่อยวางมาสัมผัสรับรู้แล้วปล่อยวางไม่ได้ไปยินดีไม่ได้ไปต้องการให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดนั้นชนิดนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นที่นี้เรียกว่าปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดความวุ่นวายใจไม่เกิดความเศร้าส้อยงอยเหงาในใจนี่คือปัญญา เพราะเห็นแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆภายนอกแต่อยู่ที่ภายในใจอยู่ที่ใจที่ทำให้เกิดความสงบใจที่เราปฏิบัติจนเกิดความสงบขึ้นมานี่ต่างหากคือความสุขที่แท้จริงนี่คือปัญญาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วปัญญาก็จะเริ่มปล่อยวาง สิ่งทุกอย่างที่เป็นไตรักอะไรก็ตามที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องปล่อยวางทั้งหมดเมื่อปล่อยวางแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะว่าไม่ได้ไปยึดไปติดกับไตรักนั่นเองใตรักนี้ต้องมีทุกซ่อนอยู่เสมอใตรักมีสามลักษณะคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกซ่อนอยู่แล้วทุกก็คือความทุกข์ อนัตตาคือการไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้หนึ่งผู้ใดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ า, วาล้วนเป็นใจรักทั้งสิ้นพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้ก็เป็นใจรักร่างกายของเราก็เป็นใจรักมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปศาลาหลังนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยง เดี๋ยวมันก็ต้องเก่ามันก็ต้องพังไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ใจผู้ที่มาเกี่ยวข้องถ้ามีปัญญาก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางใจนั้นก็จะไม่ทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขที่มีอยู่ในใจนั่นแหละใจที่ไม่มีความสุขนั่นแหละคือใจใจที่ไม่มีความทุกข์นั่นแหละ คือใจที่มีความสุขเพราะว่าความทุกข์กับความสุขภายในใจนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นทีเดียวพร้อมๆกันได้เช่นเดียวกับแสงสว่างกับความมืดจะเกิด <strangely> ข <ney S 2> ึ้นทีเดียวพร้อมๆกันไม่ได้ถ้ามีแสงสว่างความมืดก็หายไปถ้ามีความมืดแสงสว่างก็ต้องหายไปมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ได้ ฉันใดความสุขความทุกข์ภายในใจก็จะเป็นเช่นนั้นถ้าความทุกข์หายไปความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าความสุขหายไปความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจความสุขนั้นจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อจิตสงบจิตได้ปล่อยวางจิตจะสงบได้สองลักษณะคือสงบด้วยการทำจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ที่เรียกว่าการเจริญสมาธิจนจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็สงบ <c oughs> แล้วก็มีความสุขแต่ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่ไม่เป็นไปตลอดเวลาเพราะหลังจากอยู่ในสมาธิได้สักระยะหนึ่งจิตก็จะถอนออกมานะความสมอองบอีกอย่างหนึ่งก็เกิดจากการปล่อยวางด้วยปัญญาคือพิ จ, จารณา สภาวะธรรมทั้งหลายเช่นรูปเสียง ก, กลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายว่าล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นด้วยปัญญาก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตก็จะสงบไม่กังวลกับเรื่องราวต่างๆถ้าไม่ปล่อยวางจิตจะมีความกังวลกับเรื่องราวต่างๆ ที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ชอบก็จะห่วงจะรักจะหวงกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นนั้นก็จะทำให้เกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่าไปห่วงมันทำไมของมันจะตายมันก็ต้องตายของมันจะต้องแก่มันก็ต้องแก่ของมันจะหายไปจากเรา มันก็จะต้องหายไปจากเราเราไปควบคุมมันไม่ได้ตลอดอาจจะควบคุมมันได้บางเวลาบางครั้งแต่ในที่สุดแล้วมันต้องจากเราไปทั้งหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในโลกนี้พวกเราหลังจากนี้ไปอีกร้อยปีก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็ตรงอ น, นิจจังเสียตรงอ น, นิจจังปวงทุกขังอนัตตา คือเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปยึดไปยินดีกับมันมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่ไม่ไปยินดียินร้ายกับมันปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพมาก็มาไปก็ไปดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่ก็รู้อยู่ว่าในที่สุดมันก็ต้องจากกัน เราไม่จากเขาไปก่อนเขาก็ต้องจากเราไปก่อนเป็นปกติเป็นธรรมดาของทุกสิ่ง<ม>ทุกอย่างในโลกนี้นี่ถ้าเห็นแบบนี้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นด้วยปัญญาแล้วถ้ามีสมาธิอยู่ในจิตจิตก็จะมีพลังที่จะปล่อยวางที่จะต่อสู้กับอุปทานความอยากความยึดติดได้ แต่ถ้าจิตยังไม่มีสมาธิอยู่อย่างญาติอยมวันนี้ฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องปัญญาแต่ถ้าจิตยังไม่มีพลังพอไม่มีสมาธิก็ยังปมไม่ได้ยังวังไม่ได้ก็ยังอดที่จะห่วงใยไม่ได้ยังอดที่จะทุกข์ไม่ได้เพราะยังไม่ได้มีสมาธิซึ่งเป็นพลังของจิตไว้ต่อสู้กับความอยาก ไว้ต่อสู้กับอุปทานทั้งหลายถ้ายังพงไม่ได้ก็แสดงว่ายังต้องเจริญสมาธิถ้ายังเจริญสมาธิไม่ได้ก็ก็ต้องเจริญสติไปก่อนต้องมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับของกายวาจาใจถ้ายังไม่มีสติก็ต้องมีความภาคเทียนไปก่อนขยันทําบุญทําทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปนะ ถ้ายังไม่มีความขยันที่อยากจะทำบุญทำทานก็ต้องสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นก่อนต้องเข้าหาพระศาสนาอยู่เรื่อยๆหาพระที่ดีพระที่เรียกว่าพระปฏิสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะถ้าเราได้พบกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจะสอนในสิ่งที่ดีแล้วความประพฤติของท่าน <c oughs> ก็เป็นความประพฤติ ท, ที่ดีงาม ทำให้เราเชื่อในสิ่งที่ท่านสอนเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดท่านสอนนั้นเป็นสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาแล้วได้ทํามาแล้วแล้วเป็นความจริงแล้วก็จะมีผลตามมาอย่างแน่นอนถ้าเราก็หาพระปฏิบัติพระสุปฏิปัโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว <c oughs> ก็จะทำให้มีศรัทธา <c oughs> เมื่อมีศรัทธาก็จะทาให้เกิดความ ภาคเพียรวิริยะตามขึ้นมาก็จะทำแต่สิ่งที่ดีละาการกระทำความชั่วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เรามีสติเพราะเมื่อเราจะปฏิบัติดีเราก็ต้องมีสติไว้คอยดูแลการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นตอนนี้เรากำลังปฏิบัติดีกันอยู่ เพราะเรานั่งฟังธรรมจิตของเราได้รับความรู้จิตของเราได้รับความสงบเรามีสติรู้ว่านี่คือการกระทำความดีเรายังไม่ลูกจากที่นี้ไปถ้าเราไม่มีสติเวลานั่งอยู่สักพักหนึ่งเกิดอาการปวดอักเบเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เกิดความราคาญขึ้นมาทนไม่ไหวถ้าไม่มีสติดูความคิดของตน ก็จะลุกขึ้นออกไปจากศาลานี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนบางคนเวลาเทศเวลาฟังเทศของพระได้สักนิดสักหน่อยพอรู้สึกว่ามันยาวเกินไปก็ทนนั่งอยู่ไม่ไหวก็ลุกออกไปจากศาลาเพราะว่าไม่มีสตินั่นเองแต่ถ้ามีสติก็จะต่อสู้กับความคิดที่อยากจะลุกว่า รูกไปทำไมตอนนี้กำลังนั่งฟั ง, ฟงเทศฟังธรรมฟังสิ่งที่ดีที่งามเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างที่จะนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเมื่อมีสติไว้คอยวควบคุมใจแล้วใจก็สามารถสงบตัวลงได้เมื่อสงบตัวลงความคิดที่อยากจะลุกนั้นก็หายไปก็นั่งฟังเทศต่ตอไป จนในที่สุดก็จบลงในขณะที่ฟังเทศด้วยอย่างต่อเนื่องจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิถึงแม้จะไม่สงบรวมลงเป็นหนึ่งแต่ก็ไม่วุ่นวายไม่ผึ้งซาเป็นจิตที่สบายๆเป็นความสุขไม่มีความว้าหุ่นขุ่นมัวอยู่ในใจนะเมื่อฟังทำไปก็ได้ความรู้รู้ถึงเหตุและผล ว่าความสุขความทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ฟังธรรมก็คิดว่าความสุขความทุกข์นั้นอยู่กับหมอดูบ้างอยู่กับคนเข้าทรงบ้างอยู่กับเลิกกับยาบ้างเวลาจะทำอะไรต้องไปถามหมอดูก่อนต้องไปหาคนเข้าทรงก่อนต้องไปดูเลิกดูยางก่อนนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะนั่นเอง ยึงไม่มีปัญญาแต่ถ้าเมื่อฟังธรรมาแล้วจะรู้เลยว่าจะทำอะไรทำไปเลยถ้าเป็นความดีไม่ต้องไปดูเลิกดูยางให้มันเสียเวลาแต่ถ้าจะทำความชั่วต่อให้ไปดูเลิอกอยางที่ดีเช่นจะไปป้นธนาคารแล้วก็ไปถามหมอดูว่าเวลาไหนถึงจะเป็นเวลาดีถึงแม้ว่าเวลามันจะดีแต่การต้นนั้นมันไม่ดีมันเป็นผิด มันเป็นการกระทำที่ผิดศีลถึงแม้จะไปป้นสำเร็จได้เงินทองมาแต่มันก็เป็นความควา ม, วามเป็นการกระทำที่ไม่ดีเพราะจะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียนั่นเองดังนั้นการกระทำจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกับเวลาเป็นหลักขึ้นอยู่กับการกระทาเป็นหลัก แต่การกับเวลาก็อาจจะมีความเหมาะสมเช่นกาลเทศะก็ต้องรู้ว่าควรจะทำหรือไม่ทำในเวลาใดอย่างยอโยงอยากจะทำบุญที่วัด น, นี้ก็ต้องมาตอนเช้าเพราะว่าถ้ามาตอนเพลงก็ไม่มีพระที่จะออกมารับพ่อพระวันนี้ฉันด้วยเดียวไม่ได้ฉันเพลน mm hmm. ก็ต้องรู้ว่าเมื่อเวลากาลเทศะถึงแม้จะทำความดี แต่ความจริงแล้วมันต้องอยู่ที่การกระทำเป็นหลักต้องการกระทำที่ดีแล้วก็ทำาสตามกาลเทศะแล้วผลที่ดีก็จะตามมาต่อไปดังนั้นจึงขอให้พุทธบริษัทจงมีความหนักแน่นในสระณะที่พึ่งของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เราอย่ายึดอย่างอื่นเป็นสระณะขอให้เรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ แล้วความสุขสวัสดโมงคลจะเป็นของเราอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เรามีความมั่นใจเชื่อในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อมีความเชื่อแล้วก็ขอให้มีวิรยิยะความบุสสาหาภาคเพียรปฏิบัติตามด้วยสติเพื่อนำเข้าสู่สมาธิและปัญญาต่อไปเมื่อมีคุณธรรมทั้งห้าประการนี้แล้ว คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วจิตจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำลายสิ่งต่างๆที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาผู้เป็นเหตุที่คอยฉุดลากจิตใจให้ปรกระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วนำความทุกข์ความเสื่อมเสียมาให้กับจิต เมื่อได้ทำลายสิ่งเหล่านี้หมดไปจากจิตจากใจแล้วมีแต่ธรรมะคุณงาม